ผมเคยสังเกเตเหตุการณ์สารมือิ์ทั้งหลายที่มาอยู่ในวัดของเราเนี่ยดูที่ไหนก็สั้งมาเถอะหลายสิบ ป, ปีที่ทำมาผมคคยอบรมลูกศิษย์ตุหามากจนกลัวผลฉลาดบางอย่างกับพวกพระเมนลูกศิษย์ตุหามฉันจะยกตัวอย่างง่ายให้ฟัง ให้ที่เข้ามาหาผมนี้บางคนก็อยากจะขอความคำเข้าเร็วๆผมมาสสดงเทศน์ให้ฟังครับผ ม, ป, ผมปล่อยไว้จะเป็นมากจะเป็นเมนจะเป็นพระอาจาตกะหรือพระนว ก, กะที่มาใหม่ผมปล่อยไว้เฉย ปล่อยไว้ไม่ได้สอนอะไรอย่างนี้วาระหนึ่งผมปล่อยไว้วประการที่สองนั้นข้าวมาตรงที้เลยอันนั้นจะต้องทำอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องเึ้นอย่างนี้อห้เขารู้เรื่องแต่ว่าเมื่อผลที่ได้รับแล้วสู้ ต้องปลอยไว้ไม่ได้คือเราปล่อยไปตามธรรมชาติเลยคือมันเป็นธรรมชาติของจิตคิดในร่ายแรงอะไรในตรพูดก็ปล่อยไปเฮอะปล่อยไปอยู่ไปบางทีก็หลายเดือนอแต่ว่าเราก็ต้องสะกดรอยอยู่สะกดรอยอยู่พระองค์นั่นอยู่เนอนีองค์นั่นอยู่อุบาสกคนนั้นอยู่สะกดรอยคือไม่ปลอย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 คือจุดมันไม่เกินหรอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราเห็นแล้วน่ะี่แล้วก็ปล่อยตามธรรมดาด้วยธรรมชาติปล่อยนี่มาเห็นชัดสอนเข้าใจกว่าดีกว่าฉลาดกว่าอนี่เคยได้อย่างนี้มากประการที่สองนั้นก็เดียวมากสอนที่จัดไปเลยนี่เลยคนน้อยทําไม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 อันนี้ทำในแบบประกาศศาสนาโดยการจำในความจำไม่ค่อยประกาศศาสนาโดยความตื่นอสองจันพวกนี้ที่คอยไป้ให้รู้อะไรอะไรหลายอย่างดูกลัวน้ากลัวแน่นหนากว่า ถึงจะอยู่ไปนานๆก็มีหลักดีกว่าอะไรกว่าเห็นไหมมันเป็นของธรรมชาติมันเนี่ยโดยมากคนที่จะรู้จักเร็วเข้าไวแต่ว่ามันอารมณ์หลงอารมณ์มทั้งสองประการนี้แหละทีนี้ท่ามาโดยสิ่ไไสอนอย่างนั้นเราทำไมโดยทึงรู้สึกอย่างนั้นเราได้มาจากไหนเราได้มาจาก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 เป็นของไม่แน่นอนตรงนี้เราก็ได้ความรู้มาจากอันนี้เช่นว่าแม่อันฉั่อาหารอันนี้มันอร่อยมากเหลือเกินแต่เราไม่พูดนถ้าพูดตามเขาจะไม่อร่อยเหลือเกินเนาะนี่นะเนี่ยมันต้องพูดตรงไปเลยเนะาะแบบนี้เราจะพบอาหารที่อดิษอร่อยข้าวเถ้าไม่พูดอร่อยก็มันอร่อยไปเถอะมันจะไปถึงไหน ไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยแต่เธอไม่ต้องพูดมันนี่เรปล่อยมันไว้แต่เราจิตเรารู้อยู่ว่าคําพูดออกมาว่าอร่อยนี้นะว่าอร่อยนี้มันเกิดมีเหตุมาแล้วมันจึงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนีถ้าหากว่าเราไม่พูดว่าอร่อยนะมันก็อร่อยอยู่แล้วอืม ถ้าเราไม่พูดว่าไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยอยู่แล้วที่เรามีคํำพูดขึ้นมาที่หลังว่ า, าอร่อยหรือไม่อร่อย น, นี้เมื่อพูดตามความจริงแล้วนะี่ยมันมีไม่มีความอดทนอืไม่มีความอดทนเนะี่ยพูดตามส่วนนะไม่มีความอดทนเีนะ่ย ถ้าเรามมีความอดทนนะมันก็ยากที่จะรู้ความจริงเช่นว่าวันนี้ถูกอารมณ์จะเรมองเห็นกิเลสิงง่ายๆเร็วๆมีราการสังวรสังรวมอยู่รู้ อ, อ, อยู่เห็นอยู่พระพุิธเจ้าสอนพาะ อ, อนุว่า อ, อนุนทำให้มากจะเรนให้มากเชิงให้มาก ผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ไรเห็นเราผู้นั่นเห็นแต่ถาคตใครเห็นแตถาคตผู้นั่นเห็นปริพานธเป็นต้นนี่ความอดทนฉะนั้นการปฏิบัติทุกสิ่งทุกตัวเนี่ยมีความอดทนเป็นแม่บททังนั้นความวาอดทนมีมี่หลักอะไรมากเช่นว่าเราโกรธเราพูดพุ่งไปเดือนนั้นก็ทะเลาะกันเดียวนี่นไม่เห็นประโยชน์ในการอดทน เสียดึถ้าว่าอดกั้นจะเห็นอันนั้นไม่รับอดไม่กั so ้นไม่เท่านั้นเนี่ยเพื่อเราเราไม่เกิดขึ้นมาจิตใจเมื่อเรามันเห็นการอดทนเนี่ยมันก็รู้จักประโยชน์ในการอดทนเมื่อรู้จักประโยชน์รู้จักการอดทนแล้วก็รู้จักสิทิ์เราก็รู้จักทุก์เมื่อเรารู้จักทุกเราก็รู้จักสิทธของทุก เมื่อเรารู้จะเกิดของทุกข์เราก็ดูจักปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์คนเราที่ว่ามันไม่รู้นี่คือมันไม่รู้อะไรหลายอย่างที่เราจับมนฝูกมันนะตะว่ามาพูดตามความจริงแต่คนมันไม่รู้อะไรไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้จกั ก, ก, ก, จกข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์นี่เองเท่านี้ ซึ่งทำทั้งหลายเรานี่เกิดดับอยู่บ่อยๆในจิตของเจ้าของนี้เมื่อมันทุกเกิดขึ้นมาก็วุว่นวายไปเลย ใ, ใน่ไหมคำตอดว่าเป็นอะไรอะไรที่ตามชอบใจเราเนะ่ะแต่ว่าอาการนั้นมันเป็นเหตุให้ทุกเกิดเราเขาดูดทำเหตุอ น, นั้นให้มากก็คือเราไม่รู้จักทุกเมื่อมีทุกอยู่มันก็ม่เห็นทุก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 แต่คนจริงๆรถยนต์มันไม่เห็นอะไรเลยมันจะมีประโยชน์เฉพาะคนนั่งรถยนต์ทั้นะอืแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่ได้สว่างไม่ได้เห็นอะไรตรงนั้นคนผู้นั่งรถยนต์มีประโยชน์เดียว น, นะนี่ก็เรียกว่าแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์รถยนต์ไม่รู้เรื่องคนอื่นดูเรื่องลักษณะแบบนี้มาก มันจริงใสยอย่างนี้มากไอ้สิ่งที่เรามีความรู้กันมากมากแต่ทําไมให้ทุกข์เกิดขึ้นมามันเหมือนรถยนต์นเนี่ยมันมีฝา ส, สว่างอยู่เมื่อกันแต่มันไม่รู้จักให้มันมองไม่เห็นนีม่มองไม่เห็นอันนั้นเราคนมีความรู้มากๆเรียนฝ่ายโลกก็มากเรียนฝ่ายธรรมก็มากๆแต่ทําไมมันไม่กาจัดทุกขอ์ออกจากใจของเราได้ ก็เพราะมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ทุกข์ได้แต่ไม่รู้เหือขอ่ทุกเกิดดีได้ไม่รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้นี่คนเรามันถึงเป็นเหตุอย่างนี้มาถามัญหาปบ่อยๆคนนั้นทำไมเป็นมหาตนี้ทำไมติด ไม่ถึกอย่างเดียวก็ได้ทำบาบาบอหลายอย่างทำไมถึงอย่างนี้นยอมอันมหานั่นมันเป็นชื่ออันนึ้งหรอกอืมในการเรียนมากแต่มันก็เป็นอย่างหนึ่งนาะอืมไอ้ทนําเป็น จ, นจริงของมันมันไม่มากมันไม่น้อยไม่เคยเรียนมากไม่เคยเรียนน้อยรียนพอเหมาะสมกับเหตุกับผลของมันเท่านั้นมาปฏิบัติให้ที่ให้ถูกต้อง ในความเป็นจริงก็มันน้มขันหนึ่งเนี่ยน้ำในขันขันหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือขันนะแต่มันไม่เหมาะสมมันไม่พอดีล้นเปื้อนที่ว่ามันมาเติมขันนั้นนั่นก็ไม่เหมาะสมเช่กันมันช่องอยู่เป็นมิดอมันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ทำมันได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั้นมันก็เดียกว่าน้ำํำน่ะมันเข้มขันพอดีไม่คล่องแล้วก็ไม่เหลือพั่นเรียกว่าน้ําน่ำนก็พอดีกับขันขันก็พอดีกับน้ํานี่เป็นเหตุผลพอสมควรเอาคนเราที่เรียนรู้มากๆนั้นไม่ใช่รู้อันนั้นมันพาเราสําเร็จประโยชน์อะไรมาก ทั้งหลายนั้นเนะี่ยมันก็ยากแต่ว่ามันมยืนองรับรู้ที่ไหนก็ช่างมันเถอะที่เรียกว่าความรู้ความรู้ให้ทุกเกิดขึ้นในใจของเราให้ทุกเผาผลาญใจของเราให้ใจเรากระสับกระส่ายให้ใจเราไม่สบายเป็นนาณาถาทั้งหลายเหล่านี้ในนับเนื่องการู้ในพุทธศาสนา มันไปคนในแนวกันมันไปคนในอย่างกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันรู้ไหมรอบมันที่เป็นอย่างนั้นมันสุกในรอบมันรู้ในตั่วถึงอืมันรู้ในตัวถึ ง, ถถงการเรียนรู้มานี้อรียกว่ามันก็ไม่ยากการจะเอาความรู้ไปทิ้งนั่นนะ่ะมันลาบาก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 เมื่อแท้ของมันมันก็มีอีกระปูเนเมื่อแท้ของมันที่มีเครื่องประหับมันเป็มาพ่นสีเอาสีอะไรใส่แล้วโคตรกะหลงสีมันมีสีก็ะช่งมันเราจะไป ร, รื้ออิฐกระปูนเป็นหลัก เ, เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเชนนั้นเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้หรือเราจะอะไรกระชังมันต่อเราจะมีลาบหรือเราจะมียศอะไรเธอะ อย่าไปกลัวมันถ้าไปกลัวมันก็ไม่ดีเหมือนกันอืมได้กลัวมันก็ไม่มีอืมไปกลัวมันก็เป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งเหมือนกันทํำให้เราอ่อนสมรรถภาพในการภาวนาเมืต่ต้องบกตีการอะไรมันที่มันเหมาะสมแล้วอืมเป็นต้นอืม สัมมันการเผื่อปฏิบัตินี้สัมถิมันให้กลัวเผื่อเชื่อมาให้กลัวอันกลัวนี้บางคนมันก็กลัวสักอย่างอื่นใช่นะมไอ้กลัวมันหิวกลัวมันอะไรต่างๆมันเหน็ดมันเหนื่อยมันมันบากอยากแค้นอะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นกลัวภายนอกอืมกลัวถ้าหากว่าเราไม่กลัวใจของเราแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่กลัวถึงนั้นเนี่ย ไอ้ความจริงๆนั่นจะพูดกับเ้าท่านก่านว่าอย่าไปกลัวใจเพื่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่กลัวแหละมันกลัวใจกลัวใจเพื่อนกลัวจะเอาไม่ไหวกลัวจะทนไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะมันกลัวมันเนื่องจากจิตอืมมันเนื่องจากจิตนี้อืมมันเนื่องจากจิตของเรานี้ดังนั้นอะไรก็ช่างมันเถอดเหตุมันตรงไหน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 มันมีเครื่องพอดีสมรุนนี่พอมันจะเจ็บมันจะไข่มันจะร้อมันจะตายมันจะทีนาทอะไรก็ช่างมันเถอะมันพอดีแล้วมันจะเรื่องพอดีตรงนั้นอืมเป็นเรื่องพอดีตรงนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าให้เป็นโลกวิธูรู้แจองโรคอันนี้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 นั่นไม่เหมาะสมกับความคิดของเรานาราปฏิตามสีทุกข้าั้งแต่ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วอืมมันทำไมมันเป็นทุกข์ไปปรารถนาสองอย่างนั้นอืมมันไม่ได้สมหวังของเราโลกนี่มันไม่ไสมหวังตามใจของเราทุกอย่างอืมอืม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 โลกนี้มันเป็นปกติปกติอะไรคือปกติมันจะต้องเป็นของมันอย่างนี้อืดูสิใครเห็นอะไรไหมมันมีอะไรปกติไหมพูดง่ายๆเสนว่ารพระพุธทธเจ้าสอนว่ามันอันนี้มาเ่ตัวของเรานะอันนั้นไม่ใช่เรานะอันนี้มาเ่ตัวของเรานะอันนี้มาเจ่าของของเรานะเท่านี้ก็พอแล้ว ยังเพียรธรรมะพอแล้วแต่มนุษย์เราทาไหนไม่พอไม่พอทําไมพ่อไม่ทัดเพ่อไม่เห็นครัดพ่อไม่เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็รับท่นอะ่ะมันยอมรับอันนี้มันไม่ยอมรับอืราะฉะนั้น่พระพุทธสันนิยเรานี้ ถูกวดเข้ามาสิถ้าอุปชาสอมให้เรียนกรรมาฐานสารพัดอย่างอืมนะให้เห็นไม่เห็นแล้วก็สอนเรื่องจริงทางนั้นนะไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะเจสาโลมาณขาทันตาตะโจนเท่าเนี้ยไม่ได้ยินเลยถ้าท่านไปพิจารณานะ ท่านเอไปภาวานานะไม่ไม่นี่ไม่จรินใจอย่างนี้มันไลยเป็นแต่ว่าเป็นพิธีบวชกันใช่ไหมไอ้ความเป็นจริงท่าห้าประการ น, นี้มันเป็นพักขันนะ่ะเป็นหลักพักขันนะ่ะตัดทางเข้าสู่กิเพานต่อเราไม่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับถ้าว่ามันไม่รู้ไม่ได้ยิน มันก็เป็นเหมือนบปลาอยู่ในน้ํามันไม่เห็นน้ําตเติ้ลมันกินดินแต่มันไม่รู้จักกวาดินนี่มันหลงอยู่อย่างนี้แหละมันุษย์ไม่ใช่หลงอย่างอื่นครับมันหลงอยู่อย่างเนี้ยอืมเอเช่นร่างกายของเราในทุกส่วนมันไม่สวยนะเราเนี่ยเขานี่ก็ไม่ยอมรับมันไม่สะอาดนะไม่ยอมรับ ไม่แน่นะไม่ยอมรับมาที่โกรธนี่ไม่ น, น่าฟังพูดถึงเรื่องอันนี้จังุกขังนักจาให้ฟังเรื่องเกิดเกิดแก่แจ่เจ็บเจ็บตายนี้ยอมบางคนลุกไปเลยไม่ยอมรับไม่ยอมรับทำไมไม่ยอมรับเพราะไม่รู้ความจริงือนเอง ถ้ามันรู้ความจริงแล้วมันก็อยอมรับแต่มันน่าจะยอมอยู่แล้วนะอะไรที่มันยอมมันไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเกิดเกิดของทุกไม่รู้จักความหลับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติใเพื่อความหลับทุ ก, ม, ก, ม, ท ก, ม, ทกมันเพงเป็นอย่างนั้นเช่นคนหลายคนที่มาวัดต้องกับคงนี้ผมเอาโครงกระดูกไป้แน่นผมก็นั่งตังเกตดูดูกันบางคนก็ไปดู ดูจนว่าดืมปัดบางคนอมองเห็นกรอบอยูแล้ ว, ลวไม่อยากจะดูอืมไม่อยากจะดูว่ะกลัวกลัวอืมเกลียดกลัวคนนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือคนไม่รู้จัก เราเขาเดินมาจากบ้านเขามาวัดตรงประโภงนี้มันมาด้วยอะไรนั่งรถมามันมาด้วยอะไรลงรถมาแล้วเดินสมาในวัดนี่มันเดินมาด้วยอะไรไม่ใช่กระดูหรือปลาไหมกลัวนอนในเตียนี้หมผ้าห่มเปลือกเดียวกันกับมันนี่กระดูกลัวนอนในตัวมตียนี้ มนมีปัญหาหลายอย่างบางทีเขาไปทำอะไรกันต่งางๆปลูกบ้านเพื่อหยิช้าไสยบาทกันเอากระดูกผีมีไปฝังไว้ในตู้บ้านแม้บ้านมันจะสบายคิดหายหมดแต่ผมที่จะรายงานผมไม่ใช่เดือนสิดหายกรณนอนตรงไหนไม่ใช่กระดูกถ้าไม่มีกระดูกก็เป็นใสเดือนจริง พอเขออา้ามาถึงผมผมพี่เจริญห่าวผมว่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะกระโหลกอยู่แต่เราเยอะแยะไปนั่งทับกับนั่งคับกระดูกนอนก็นอนคับกระดูกเดินก็พากระดูกเดินไปดีๆไม่รู้วันมันจะเข็ดจะยำตรงไหนมันจะเป็นอัตตรีจันไดตร็นไหนไม่รู้ไม่มีอะไรถ้าเราเห็นคับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเอาตังโกรตังคือมาสังใตล้ศูนย์กระดี่เรามันี่ยก็ไม่มีคิดมีภัยอะไรมันคนละเรื่องกันเนาะ ไอ้ควาเห็นอันนี้ ม, มันดผิดขาดจากการทํำดีๆตองขึ้นได้ น, นั้นะเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันเยอะฉะนัะ้นกานสอนพระพุทธเจ้าการสอนพวกเราทาั้งหลายเนี่ยให้รู้ให้เห็นรู้อะไรเห็นอะไรเห็นที่เรานั่งอยู่นี่แหละเห็นในร่างกายของเราเนี่ยให้มันรู้ชัด มันรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยมนุษย์เรานี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากแต่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นแหละฉะนั้นแม้รู้ตามความเป็นจริงเที่ยก็สบายแต่ไม่สนุกนะแต่มันสงบมันสงบแต่เพราะมันไม่สุขมันไม่สนุกมันจสงบ คนหาความสงบนี terrain, ้มันหาไง่ายหาความสงบมันหายากหาความฝุ่นีมันก็หาง่ายง่ายแต่หาความสงบมันหายากแต่มันซ่อนกันอยู่นั่นแหละแต่มันซุดไม่ได้ความฝุ่นหนึ่งความสงบหนึ่งมันต่างกันไกลกันในข้ากับดินนี่ยแเมื่อใครมารู้วยจากอวไรสุ่กับสงบนี้ก็เลยเป็นอะไรกันนี่มันเป็นคนงี้ใชัไ มันใกล้คิดกันชนีมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ิจการนาง่ยายเห็นความสุขแล้วตอนนี้รามันสงบแล้วอย่างนี้แต่ความจริงจริงความสุขความทุกข์ความสงบนี่มันกน็ในอย่างนั้ น, น, โดโดนทุกข์อยู่ต่ว่ามันสงบทุกข์อยู่แต่ว่ามันสงบอนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนี้เช่นการกระร้สร้างบ้านหลังหนึ่ง หรือปั้นรูปพระจะรองขึ้นทําเป็นเบ้าทําให้สวยสดงดงามแต่เมื่อเราปเปรียบทองแล้วนะเราทุกเบาเ้ามันทิ้งนะเสียดายไม่เสียดายไม่เลยเป็นองค์พระแล้วก็ทิ่งเบ้ามันทิแต่ตอนนี้มาเทีทองนี่จะต้องระมัดระวังเบ้ามันให้ดีให้สวยให้งามสมมติห น, นี้ก็คือกันกันนั่นมีวัตรหนี้ก็เป็นเงินตัน้น สมมติคือเราอาศัยอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องสมมุติจะทิ้งมันไม่ได้แต่เพราะมันเป็นสมมุติใจมันจะมีงดมันก็เป็นไปไม่ได้อืจะต้องให้มันเป็นสมมุติสมมุติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นนิมสมมติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ชือนั้นเป็นเรื่องสมมุติมันมีมดมันก็ปนกันอยู่ในนั้นเสมือนกันกามม่วงใบหนึ่งครือกมันก็มีเมื่อมันก็มีในมันก็มีเงดมันก็มี พวกเราทั้งหายจะไม่มีอะไรเลยแตพระพุทธเ จ, จ้าสัโตตานโดษการประพฤติปฏิบัติเนี่ยการพี่จะะเจรณาปเจวิชทั้งหลายเนี่ยพี่เจรนาเล่เลาเร า, า, าเล่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือให้รู้จักตามความจริงมันเชียถ้าไม่รู้จักตามความจริงมันก็จีรานมันก็ลาบากบินทบาทมันก็ลำบากอืม เสนาสนะมันต้องลำบากยาบําบัดโลกมันก้องลำบากทั้งนั้นเนี่ยธ้าเราม่รู้ตามความจริงมันเสียถ้าเรารู้ตามความจริงมันแล้วมันจะคนใมีอะไรเนี่ยคนมีอะไรมากมายไปแต่ยึดมันหรือถือมันมันอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้น <S <S ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมาถูกเป็นพระสมมติและธรรมาเรียนสมมติ ให้ดีเมื่อมาปฏิบัติเป็นพระสมมุติอย่างไรเป็นเนรสมมุดอย่างในโมวาอย่างใน บ, บ้านวันนี้เรามาโกนผมผมผ่ากายกายวิภัตสมมติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นเนรพูดตามส่วนมันแล้วก็ยังไงเป็นพระนั่นเองไปยังไงเป็นเนรนั่นเองทําไมถึงว่าพระมาเนรพระโดยสมมติเนรโดยสมมุติ ยรือจะเปลียไปเห็นงไงในที ai, ่นี hmm. ja er ่หละไม่มีสายก็ไม่มีเกลือนะเมื well ่อจะอธิบายเรื่องทิศหนึ Swift ่งที่จะจะมีเกลือไม่มีเกลือแล้วไปเอาทายมาวางในตรงน้านี่สมมติว่าแต่ความจรงมันเป็นทายพอเอาทรายมาสมมติเป็นเกลือนั่นก็เป็นเกลือให้นั่นเอ ยังไม่เป็นพระยังไม่เป็นเมรุเพราะอะไรเพราะเมรุมันบวชไม่ได้มันต้องมาปฏิบัติก็ที่นี้พระไม่มีเมรุไม่มีเพื่อามาบวชเป็นพระเป็นเมรตรงนั้นที่นี่คสือไม่มีเพียงารรมอสัย ง, งอวังโดเฉพาะหน้านี้สมมติว่าสายสมมติว่าเสือเพราะทันั้นดังนั้นข้อประพฤติปฏิบัตินี้มันจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดพวกเราเราทางไหนมัน ขอเจ้าว่าเราปฏิบัติเถอะอย่าไปขึ้นถามมันอะไรด้วยถ้าปฏิบัตมยยมิมันถูกทางมันเถอะพยายามศึกษายมันถูกทางถูกเรื่องมันอืมแต่ว่ามันก็ไม่เคยถูกเรื่ององ่ายเพราะว่าการปฏิบัตินีมันไม่ชอบใจมนุษย์ แ, แล้วอย่างในที่นี้ ป, ปางเหรอไหมวิปปิหลังน้อยอืขันก็ แ่เจขาจะเอามาถวายบางทีจะฉันไปในบาทจะรวมแบบทั้งขาวทั้งหวานทั้งวุ่นวายไม่ชอบใจแล้วทําไมไราขึ้งทำอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมต้องพยายามทำเนี่ยที่เราไม่มีศรัทธานะตัววันเนี่ยพูดง่ายๆเรามาพยายามทาตามอุตสาหกรรมสั้นทําอดทำเรียกว่าการปฏิบัติ ถ้าเพื่อใจมันไม่สบายเลอยอย่างนี้แต่ว่าเราทำนี่จะความอดทนอดกลั้นเราทำกันอย่างนี้มันพึงสบายบักไม่สบายบักบางทีสึกบางทีไม่สึกอย่างนี้การปฏิบัติธรรมธรรมนี้มันจึงยุ่งยากลำบากมากเลเกิน ชายเรีทวนน้ำก็พูดง่ายๆก็เรียก ว, ว่าไม่ทําตามใจของเราเนเรนในทุกอย่างครทำตามใจของเรานั่นเป็นต้นไม่เห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่ได้ปฏิบัติพูดตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับชายเรียทวนน้าไม่ชอบนะแต่ก็ต้องทํา ต่อว่าเรามองเห็นมันอยู่ถ้าเราทำได้อย่างนี้ต้นตานี่มันรกต้นไม้มันใหญ่แต่ว่าทําไร่ทํานานี่มันงามดีแต่ว่าเรามองเห็นมันก็จะอาใจที่เกียจทําครื่อเหน็ดเหนื่อยเราทั้งหายเราเนี่ยต่อกันรเป็นก็ต้องทําเพราะว่าที่นี่มันงามที่นี่มันเกิดฝน เพราะนั้นพวกนักบวชนักศคดเราทั้งหลายจริงรู้สึก่กับเขามาบวชแล้วบางคนก็มาถึงแล้วก่อนมามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธามาทำไม่ตามขออใจเราแล้ ว, ลวสะถอนอย่างนี้เพราะนั้นตามปฏิบัตินี้มันจริงเป็นของสำคัญมากพวกเราทั้งหลายนะั้นเปิประโยชน์ทั้งสนและทั้งผูนอื่น เพราะเวาทําสิ่งที่ไม่ตามใจเราถึงนั้นแต่คนเราไม่ค่อยหุนไม่ค่อยิดพิจรารณาหรือพูดง่ายๆว่าอันนี้มในตัวเรานะ่ะอันนี้ไม่ใช่ของเรานะ่ะพูดแถวนี้คนบางคนก็ไม่ยอมรับไม่เห็นความจริงทําไมไม่เห็นความจริงเพราะไม่ิดพิจารณาให้มันดิ้น่นขึ้นไป เราเคยเห็นไหมว่าคนจะเป็นเศรษฐีก็ธุนทีอะไรก็สร้างมันเไะมันมีอะไรไหมมันเป็นตัวของเราจริงๆไหมมันเป็นตัวของเราจริงๆไหมไอสิงที่ในตัวเราที่เราสร้างขึ้มามันเป็นของเราจริงๆไหมเราไมา่ซ้ำลงไปจี่จนาให้มันแน่นอน่ไปเลยนะ เราสร้างก็ไปเห็นความแน่นอนมันก็จุ่มอยู่แล้วจุ่มมันจิ่มอย่างนั้นก็ไม่เคมีอะไรแล้วก็เป็นเป็นกุศลธรรมธาตุอันนเงี้ยนะสวดแล้วมันก็หับใยเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรแล้หมดแล้คนที่มานี่ตัวเราด้วยของของเราคนนั้นก็ไม่ไถ้าคนคิดขึ้นมาได้มาแล้วก็ควรคิดสะคิดอย่างนั้นมันไม่ได้สักคนหนึ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ว่ามันปกติแต่มันมันชัดเกนเยอะเตน ไม่ใช่ว่ามันตกกิดที่ไหนมันคับกิดมีคนรู้ทุกคนแต่พวกเราทางไหนไม่ยอมรับเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือว่าเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายทุกคนอย่างนี้อันนี้คนก็ไม่ไปรับที่เจรินาเพราะไปเตืมก็อย่างอเนเียใจมันถึงเศร้าหมองไม่สว่าง พอถึงลูกตายหัวตายเนื้อตายร้องให้กันรั้นเลยกันมั้เนี่ยพระธรร ม, มคิดเช่นนี้แต่มนุษย์จะมีไหนมันโง่ด้เกินนะไม่ใช่ว่าตายคนเดียวสองคนมันตาย เ, แ ล, เแล้วเกิดมาเห็นคนตายกี่ศกมาแล้วเนี่ยแล้วเห็นคนเกิดมาเท่าไหร่ทำไมมันถึงหลงทําไมมันถึงไม่รู้จักก็เห็นทุก ว, วันทุกวันทุกปีทุกเดือน ทุกภาษาเนี่ยในภาษาหนึ่งเราก็เปลี่ยนข้อวัดสร้างเครื่อนข้อวัดอะไรโดยมากก็เฉราะพระที่เข้ามาใหม่มาทางรรกเนี่ยทำงานหยาบหยาบทำงานหยาบหยาบหลายอย่าง เครื่อให้นะมันเป็นปัจจัยเกี่ยการอดทนแต่ความเป็นจริงนั่นทำงานในทางที่ชอบนั่นมันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วละ่ะบางท่านบางองค์นั่นมันก็ดุริแรงคือหมายความว่าเรามาบวชแล้วไม่ต้องทางานอะไรน ะ, ะก็ต้องสวดมวนต์ก็ต้องภาวนาอย่างเดียบางทีมีคนเห็นอย่างนี้ก็ได้ แต่ความเป็นจริงนั่นงานทุกระเภอที่มันเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาอยู่แล้วเมื่อทำก็ไปแล้วมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์เพื่อการภาวนาด้วยแต่ว่าผู้ใหม่ยังยังมองไม่เห็นว่าควรจะนั่งสมาธิปัญจาอะไรอย่างเดียว อย่างนี้เป็นต้นม่เคยมีมาหรอกเช่นว่าง่ายๆนะเราจะามันทำงานมันลำํากนอนมันสบายดีเอาใครนอนไดยที่มันจะสบายนะอ น, นอนไ ป, ไปเรื่อยมันก็ไปสบายเท่านั้นแหละครับนั่งก็สบายดีนะั่งสบายกี่นาทีนะังแล้วมันก็อยากไปอย่างอืน่นดี มันเป็นอย่างนี้แค่ะความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันต้องรู้ทีหลังอจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงถึงแม้ว่าเราจะเดินไปมันก็เป็นการภาวนาสมถฐานถึงแม้ว่าเราจะฉันจัหันมันก็ยังเป็นสมถทานภาวนาเราอยู่แม้เราจะกวาดลานวัดอย่างนี้มันก็ยังเป็นการภาวนาซึ่งผู้มีปัญญานะจะคนใหม่ๆนี่มัค่อยจะเห็นครับเห็นว่ามันยุ่งมันยากถ้ามันจะพบอันมันยังยุ่งอ เรามันจะมีกําลังไงให้มันเหน็ดให้มันเหนื่ยให้มันยุ่งยุ่งในทางที่ชอบไปเลยมันจะตม่อะไรแล้วค่ะมันจะฉลาดขึ้นมาละมันจะอดทนมันจะมีความอดทนไม่จะ่ว่ทนต่อการงานอย่างเห็นแม้มันคิดผิดติดไปมันก็อดทนต่ออารมณ์ทางหลายไปนั่นแหละถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้มันก็ถูกไปทุกอย่างดังนั้นก็เออทุกขันจาเนี่ย ร่างภาษานี่มันคลื่นภาษาข้อภาษามาแล้วก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างอืน่นก็เปลี่ยนอย่างอืเปลี่ยนไป้นว่าท่านอาจารย์เปลี่ยนท่านสเสนอคุณมานนมนเนี่ยนะอท่านอาจารย์เสน้คุณมาก็เพราะว่าได้อบรมกันมาพอควรแล้วดังนั้นผมจึงถามว่ารู้จักเรื่องเดินจงกรมอะไรหรือกกยังรู้จักเรื่องรู้จักวิธีการนั่งอะไรหรือยัง เรื่จากดูทีแล้วสวดมนรรมมต์ทมวัดก็รู้พอสมควรแล้วรู้กันแน่อยังถ้ารู้กันแล้วนั่งสมาธิก็เป็นจนไหเป็นลักษณะนั่งอย่างไงกำหนดอย่างไรเป็นแล้ ว, ลวถ้าเป็นแล้วที่นี่ก็อยากจะให้ทําเพีย้ยนให้นั่งสมาธิเบินเป็นตรงให้มันถนัดให้มันถนัดโดยธีอะไรโดยวิธียุบวัดส่วนรวม ก็จะให้สวดมนต์ทมวัดในสติของใครของใครกราบไหว้ไอ้มันไม่ต้องออกมามไม่ต้องออกมาหรือออกมาจากน้ำจากชาแล้วนะหาน้ำแบบนี้เข้าเดินจนคลมออกมาในในอย่างเอกมาในรา้านเัดเนะทาาุกทว่าสิห่มผ้าถือหยังบาแล้วก็เดินแล้ว ม, มาคุยกันนะไม่กชสจะพักมคุยกัน เราเคยว่าพักมันนอนสบายนะถ้าว่าเรามีการประชุมกันอยู่อย่างนี้นะงานทั้งแรงการนั่งมันก็มีน้อยเดินมันก็มีน้อยสําหรับผู้ใหม่สําหรับผู้เก่านั้นทันไมน้อยเลยมากของการรักจะทําวัดจะกระโดดอะไรจะั่งมันเถอะท่านก็ไม่ว่าจะไม่ทำท่านก็ไม่ว่าการทําทุกวันนี้ก็พอจะาะท่านผู้ใหม่รู้เรื่องกันตรงนั้น แต่ผู้ที่เกาๆเนะ่ยผมอยู่เขาเาอยู่ในป่าเนี่ยมีแค่เน้นเกาเ่าด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาต้องทำวัดนะครับมันสบายมากเลยเกินมตอนไม่ใช่ไปคุยกันนะเนไม่ใช่คุยกันหันจังหันแล้วก็ออกแล้วก็เอางุนสติพอเวลามันดีเก็ บ, บาทขึ้นแล้วจากจวรึงเดินจนรมอย่างนั้นแต่ทุ่งหยุดแล้ว็ขึ้นะติพักก่อนอืมเ นั่งก็ช้าเลยหนึ่งสองสามมาแล้วสัก ส, สามโมงต้องทำจิตวัดของเราแล้วจะมีัวดตักสะ่ปวดจะมีตักน้ำปวดตักสเสร็จแล้วก็เข้าอาบน้ำอาบผ้ากันแล้วก็เลิกกันถ้ามีการชันอยู่ชันยาก็าเป็นเวลานัดหมายกันมารวมกั น, อ, น อ, อันนี้เราได้เวลาที่จะทาทำงานส่วนตัวมาก แต่ทำงานส่วนตัวมากนัเนี่ยอย่าไปโมง่งไปทางอื่นนให้โม่งว่าการอิปาวนาอย่าไปโม่งว่าคุยกันมากไม่นอนมากพักผ่อนอยางนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเรียกับการเปลี่ยนข้อวัดชาเราไม่เปลี่ยนซะเลยนะไม่เปลี่ยนซะเลยนะออืมันก็ไม่ใช่จะดีไม่ใช่จะดีนะจิตใจของานั้น มันก็เท่าด้วยจากไม่เคยฉลาดการทำวัดส่วนตัวมันเป็นอย่างนี้ใ้ประโยชน์อย่างนี้การด้อกจากทำวัดอย่างนั้นมาทำจิตส่วนตัวมันมีประโยชน์อย่างนี้เหมือนก็เอาฝ่ามือหน้ามือละคิดทางนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกขนมาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจออืมควรกลับไปกลับมาอย่างนี้เราจะเกิดประโยชน์ส่วนตัวของเราแปลว่า ให้ทาให้เงียบสงบให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะว่ามันค่อนพรรษาแล้วเรียนจะจะเป็นธรรมวัตรส่วนรวมก็จะเป็นบนรรพะทานยาอเรุ ยะบ่ากิจส่วนดวงเฮง น, น้อยที่สุดกิจส่วนตัวให้มากขึ้นเจอว่าเคยทำมาแล้วมันมีประโยชน์เป็นบางท่านแล้วแตถูกใจกับคนที่สี้เกียดเ น, นี่นยมันใจใคอยางงั้นเต่ด้วมันถูกใจกับุคคลที่สีเส้เกียดไม่นอนสบายหรืออยู่สบายอะไรสบายเรื่จะเอาเรื่องอื่นขึ้นมาฉันนึกว่ามันจะดีตัวนี้ก็ไม่ดีะ เสียหายมากเปมันเป็นเรื่องเสียหายมากมันเป็นแค่อย่างนั้นแต่ว่าเราจะยังเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจกันเราปฏิบัติขึ้นพรรษาค้อนพรรษามาเน่ยต้งพยายามมันจริงจริงจังๆคอวัดอันใดที่เรายังในดีมันบุกของยกขึ้นยกขึ้นมันมันขึ้นขึ้นมันมันดูขึ้น เช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่ากลางวันเราไม่นอนเราจะนอนกลนคืนอย่างนี้เป็นต้นหาหรือเราจะนอนกี่ชั่วโมงมีแรงใจของเราอก็จะคิดใจลองจะตอกเรือเอาคอวัดอะไรสักวัไปได้ก็เอาอื ยาวอะไรก็เอาออย่างแขนเติจแล้วกลับไปกติถ้าพอใจจะเดินหยุดลมไาถึงเที่ยงทั้งเดินทงกลงทั้งนั่งสมาธิเที่ยงแล้วก็เลิกหอกนั่งไปหยุดพักก่อนนีแล้วก็เอากันถึงเวลาจะทำเทียนต่อไปได้มีเรื่องอะไรในใจอะไรจะมันพูดมากหรือมันอะไรมากทั้งหลายลนะนี่ก็หยุดมัน มีเพื่อทำให้มันน้อยเขาน้อยเขานี่เรียวกว่าทำข้อวัดใหมันดีขึ้นไม่ต้องไปปฏิบัติอย่างอื่นแล้วเขาได้ปฏิบัติกันในมั น, นมันดูเรื่องทั้งนี้การภาษาคำที่เราพูดกันเนี่ยทำเลยทำไปเลยแต่ว่าสร้างให้มันเก็นประโยชน์ผมอยากจะให้รู้จัก ประโยชน์ในการกระทําในการประพฤติปฏิบัตินี้เรื่องจิตใจของเ ร, นะนรงานี่ยเมื่อจะทําอะไรก็ทํากันจช่ไหมเมื่อจะทําวัดกันอย่างนี้ตั้งคณมมะก็ทําวัดอเมื่อมนาะประชุมกันมันพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลนนิกอย่าไปมีมายาสาไถวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยเมื่อจะนั่งประชุมกันฟังธก็ฟั ง, งกัน เมื่อจะทำบัตรก็ทำกันยาดียาเรีอ่องยาอะไรถ้าว่ามันไม่สบายขอโอกาสกับเพื่อนใช่กับครูบาอาจารย์ใช่ผมไม่ค่อยสบายผมขอพักให้มันตรงไปตรงมาจะได้ประกาศประวงเงินพักก่อนการฟมันดีตามนี่มันดีแต่คนหนึ่งนั่งคนหนึ่งต่อมา ไอ้คนหนึ่งฟังคำไอ้คนนึงก่อนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของปฏิบัติแล้วทำเล่นกันนี่มันจะแยกมันจะแต่เพราข้อวัดปฏิบัติมันเป็นอย่างเนี้ไม่ใช่อื่นใดแต่วัดเรานีมันก็ยังมีเลยไม่ใช่วัดอืน่นที่อืน่นนะถ้าเราทํากันไปเช่นี้ก็ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะ ม, มันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรร ม, มะเท่านั้นเนี่อปฏิบัติผิผลเกิดมามันก็ติดแต่นั้น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 อย่าไปมองคนอื่นทีเราตั้งใจที่ทำไทมเราเห็นว่าตั้งใจถ้าหากเราทํามันได้อย่างนี้แล้วก่อนอย่าไปมองคนอื่นครับไอ้นคนนั่นไม่มาคนนี้นไม่มานัางสีทําวัดเีจนจะเสร็จได้เชิงมาฟทํารรมจนจะหมดได้เึงมามไม่ไม่เป็เรื่องอะไรแล้วคนนีทนท้ท่านทําวัดท่านสวดมนต์ท่านเพ่งเขษฐ์ออกไปหานั่งหาเด่นหาต า, ามนั้นะมันไม่เป็เรื่องนะครับ ในในความเนี่ยออันนี้เพราะว่ายา้มันมีในวัดประคงนอกจากไปธุระอุจจระปัสวะฮะอันเรื่องนั้นนั้นยา้มันมีเลยเนี้อาหายเสื่อมตามพอมองเห็นแล้วก็เสื่อมกันเลยหมดนมคนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นก็อยากทําทอย่างนั้นคนนั้นก็อยากทําทเต็มไปหมดเต็มปไปหมดมบางัญษาคนพิ้งไว้ ข้ออ่านภาษาแล้วไม่มีใครอยากจะมาทําอ่ะอะไรก็ไม่อยากใครทืแต่เราเคยเป็นนะไม่ต้องทำรัดร้านอย่างเงี้ยอืเขายิงไปคุยกันใช่ไหมเขายิงจะหาเล่นอย่างนี้นโอกาสนี่อย่างนี้ตัวมีของตัวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ตัวแล้วอืมีเคยพักก่อนมาทุกปีนั่นแหละให้คนที่ ไม่มีปัญญาหรือคนผิดโง่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เช่นอย่างนึ่งก็เอาอย่างหนึงไม่เอาอย่างนึ่งก็เออดีเดียงเดีจนได้เนี่ยนี่คือคนทำมา ห, น, หนึงื่อนกันอย่างนี้ทาไมในเหรือนกั น, น, นไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้เรื่องถ้าราพูดอย่างนี้มันจะนำความเสื่อมมาหาเราดูเพื่อนหรือไม่เราก็ทําอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์แต่เราดูขึ้นจะหาที่นี้เกิดกันนี้ป่าว ไม่ค่อยทำหนึนงแต่มาเชื่อเ จ, จ ด, ดีจิตวิวาของเรานเนี่ยเจดิตเนี่ยลบได้ต่อดีเลี้ยงได้ต่ดีอะไรก็ดีทั้งนั้นเนี่ยนี่เราไปกันในรูปวันนั้นเนี่ยมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ไม่ใช่อีกใจมันเสื่อมเพราะอย่างนี้ข้อวัดนี่มันนี่เคือศีลข้อวัดข้อวัดนคือศีลต้นข้าวต้วนมันดีอะไรมันดีระรวงมันจะดีกั้นั้น มันจะไปอะไรที่ไหนอันนี้ขอให้พักกันพ้นคิดให้มันดีๆหน่อยให้พูดนานและเด่นให้โอกาสได้จะมีไปให้ออกคนสารแล้ววันหลังก็ีจะประชุมกันในในรู้จักรู้เรื่องกันทุกปีเราเคยทํามาทุกปีพักผ่อนให้มันสบายในทำแต่หน้าที่อย่างเต็มที่รองลอ ง, ลองดูที่ว่าทางว่าทํางานแล้วก็ปิดงานให้ปฏิบัติตัวที่มันจะปฏิบัตินะ ให้มันเดือดมีการตักน้ําเพื่อกวดล า, านวัดที่ไหนมันรกที่เราทำกันไหนตักน้ํามันจะทำแต่ตะเกงใา้โอกาสเป็นโอกาสให้หาโอกา ส, กา ส, กา ส, กาสที่จะต้องทำถ้าไปเดินจนกงกรมทาเพียนในกะปีของเรามันร้อนก็ออกมาทางนอกออกมาทางนอก ตามชายป่านตามร้านวัดบิดๆเสนอนอนแต่ในที่เราก็เดินจกงกลมทําไปอืมการเดินจกกงกรมเย็นๆมาด้วยแน่นมาแล้วตอนแล้วก็คนมันมาหลายนี่อืเราจะห่มผ้าก็ดีอยู่ในกะดีเราไม่ดูอะไรถ้ากลางคืนนี้ตรงไหเป็นอะไรอืถ้าเราจนย็นๆมาคนมาแล้วก็ห่มหมผ้าจะก็ดีเดิน แต่ว่าถ้าเราโน้มห่มเรียบร้อยแล้วจะไม่มีอะไรเล้วก็ให้ทำให้มันในความนะใ้่ไหมในความต้องคุยมาอยากจะขึ้นมาทำอยู่นี่ก็ได้บนโบสถ์นี่ก็ได้แต่วันมาคุยกันนะ่ะมาคุยกันบงเบ่งบงเบ่งไม่ได้ตรงนี้ขนะึ้นมาในโบสถ์หยุดกันเด้วยถ้าหยุดัก็หุดหมดแหละอะไรจะทำนั้น่ะ การทำอะไรๆก็หยุดกข้าปฏิบัติกันพอกจากคารวาดมาบวชแล้วยังไม่ดี ม, มันจะอาศัยบุญว่าสนาบารมีของเก่าหนึ่งชั่งสมาไปบวชสมาแล้วก็อยู่น ะ, ะก็คอยิดเจรนาไปก็เห็นอยู่ในใจแต่ ว, ว่ามันไม่ชัดถ้าว่ามั มาถูกการอบรมอะไรต่ออะไรข้อมันลับเป็นเหตุให้วิพาทให้วิจารไตามเรื่องของเราบางองค์ก็เห็นไง่ายๆบางองค์ก็เห็นไม่ยางงกบางองค์ก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอย่างแต่บวชสมาทุกท่านเนี่ยทุกองคเนะ่ะบางคนก็สอนยากบางองค์มันก็สอนลำบากสอนง่ายเนี่ยทำไมมันจะยังห้าม ทำไมไมันเป็นอย่างงั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ว่าตั้งแต่ครั้งนี้เลยในครั้งพุทธการก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่ฉะนั้นพวกเรานั่นจริงแนะนำจำสอนกันจำพี่จำชายกันจ ำ, ำ, ำาำสากสกอยู่ไม่ได้หยุดที่ไหนก็ตามที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรมันมีอะไรปนเปนกันหลายอย่าง ลักษณะจิตใจของพวกเราน่นน่ะโดยปกติแล้ว่ยมันอยากจะอีกษาคนอืน่นมาเรื่อยไปเอาดีแก่ตัวคนเดียวอย่างนี้อันนี้มันจะมีอยู่ถ้าก็มีธรรมะแล้วพี่เรณานแล้วถึงแมมันจะเห็นแก่ตัวอยู่เป็นต้นนะมันก็ไม่จะเดนเปนปตามอารมณ์นั้นเพราะว่าอันนั้นมันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอย่างนี้ อารมณ์นั่นในดวงจิตของท่านอย่างมืดบอดเลยทีเดียวถึงเงบ่ชอบอย่างนั้นอยู่จกระเห็นอันนั้นมันจิตอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้เอ่แล้วก็วิพากษ์วิจารกันไปด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่แล้วก็เล่งความเพียรมาเป็นไปถึงเป็นนาเรื่ยไปเนี่ยอย่างนั้นมันจึงเป็นปัญหามันเป็นปัญหาอืม ทำไมมันสอนยากทำไมมันลำบากอะไรทั้งหลายแล้วนี่แหละมันเพราะมันเป็นเพอจิตของบุคคลอืมจิตของบุคคลท่านสอนอะไรที่เราเทิดในการฟังเนี่ยมันเรื่องจริงจริงทัง้งนั้นแหละแต่ว่านุ่งฟังก็ฟังอยู่นะลูกออกจากที่นั่งเนี่ยไม่เอาไปด้วยในทีน่เดนะไม่ต้องพูดอีกไกลเนาะข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมันเป็นของแน่นอนมาตั้งแต่อุปชาท่านบอกแล้ว เขาบอกว่าเจตาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเจตาเราก็ว่าไปตามท่านอย่างนั้นแหละ ว, ว่าไปเฉยๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรยังไม่มีอะไรต้คิดมีแต่คำพูดเท่านั้นเนี่ยเรื่องจิตใจไม่ได้คิดทีนี้เียวัวสมาแล้วก็ ไปเอาอย่างอื่นสักไปเอาอารมณ์ที่เราเป็นคา ร, รวะที่นี่พูดตอนที่พูดเรื่องค า, ารวะการกระทํากท็ทําอย่างคา ร, รวะอะไรจะอย่างคา ร, รวะมดทนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรอืเพราะอะไรทําให้ของดีไปแต่เราทั้งหลายไม่รู้เรื่องอืี่ยก็เลยกลายเป็นประเพณีไปกลายเป็นประเพณีไป หรือไม่บวชสมาแล้วก็ไม่กรรมฐานนี่เดี๋ยวยังไม่รู้จักว่าทํากรรมฐานทาํากันยังไงผมเคยพบอยู่มานานๆไม่รู้จักทํากรรมฐานที่กรรมฐานทุกชาติบอกให้กันเส่อแล้วนะบวชไม่รู้เรื่องมาเป็นกรรมฐานเลยให้เราเห็นชัดก็ไปดีม่เจอสาโลมานะขาตันตาตาโจที่ท่านบอกนั่นเนี่ยที่ท่านสอนให้นะนะั่นสานความจริงให้ทุคนเห็นเลเนี่ย แต่ว่าเราไม่ที่จะเรีมาแต่จะมีน้อยไม่รีเลยก่อนจะมีน้อยบางองก็มีแต่ฟังอธิบายฟังอั น, นั้นเป็นเครื่องจับจิตใจอยู่เสมอแล้วพ่จะมายอยู่ด้วยด้วยอทำกรรมฐานก็ง่ายขึ้นอืทำกรรมฐานก็ง่ายขึ้นอันนี้มันต้นเลยดูละกรรมฐานี่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 จนกระทั่งเห็นไปว่ารูปนามเนี่ยรูปเดชนาสัญญาสังขารจินยานเนี่ยออมันก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแบบนี้แต่เราไม่เอาไม่เอาเออเอาเข้าในที่ประชุมคือไม่เอาเข้าในที่สงบระงับในที่เจริาารวิปัญญาของเราพูดแล้วขอแล้วไปเท่านั้นเรียกว่าเราไม่ทํา อ่ความจริงๆมันก็เรื่องเนี่ยะเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องปฏิบัตินี่แต่เราบวามาแล้วมันก็ไม่เห็นแบบนี้ไม่ขนาดว่าใครโดนทุบๆแบบนี้